ก็สู่ที่จะให้พวกเราทราบเกี่ยวกับเรื่องของความความศรัทธาแล้วก็เรื่องของ <c oughs> การที่ได้เข้าไป สันเซินหรือว่าไปไปศรัทธาในสมณพาพณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติผิ ด, ดผู้ชาปัตติกไปเยอะนะซึ่งมันแสดงถึงความที่ยังไม่มีความศรัทธาในตถาคตนะอย่างไม่หวั่นไหวก็เลย เ, เข้าไป สัเสริญเข้าไปศรัทธาหรือเข้าไปชมเชยสมณครามผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดอย่างนี้นะด้ <Yeah. S 1> ว่าอกาดความความรักความศรัทธา <Yeah. S 1> อย่างไม่หวั่นไหว <Yeah. S 1> รัชสภ า, ษาตัดเกี่ยวกับเรื่องของ 6ประการอนุตรยยาหประการเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราไม่ไม่ได้ความหลุดพ้นแต่ถ้ามุตตรยยาประการเป็นเหตให้เราได้ความหลุดพ้นขึ้นมาได้6ประการมีเรื่องอะไรบ้างการได้เห็นการเข้าไปเห็นการเข้าไปได้ฟัง เข้าไปศรัทธานะการเข้าไปศึกษาการเข้าไปบํารุงการเข้าไประลึกถึงสมณพราณผู้เห็นผิดผู้ประพฤตผิ ด, ผดนะพระองค์บอกว่าอย่างไรนะเชยนยกมาเรื่องหนึ่งคือการเข้าไปเห็นนะ พุทธุตังหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไปเพื่อดูช้างแก้วมาแก้วบ้านมณีแก้วของเล็กของใหญ่หรือสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนทิกษุทั้งหลายทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนนี้นั่นแหละเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุริชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบ ป, ประนับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรสัสรู้เพื่อนิพาน <c oughs> นั้นพระพุทธเจ้าจะกันไม่ให้เราเนี่ยเข้าไปไปลุกลี ก, กับนะ สมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดปริประพฤติผิดไม่ติแต่การไปฟังก็ตามนะการไปได้ฟังธรรมะของเขานะของสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิ ด, ดนะก็ตัดอย่างเดียวกันว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐ <c oughs> ไม่ได้ไปฟังแล้วก็ไปเกิดสัตธากับสมณพราหมณ์ที่เห็นผิดประพฤติผิด กรสัทย์ายหรือการได้มาบนั้นพระองค์ก็บอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์สัทยายแล้วก็เข้าไปศึกษากับสมณพราหมณ์ที่เห็นผิดผู้ประพฤติผิดปฏิบัติผิดก็ตัดเหมือนกันว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนนะเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปบังรุง <c oughs> <c oughs> เข้าไปบังรุงไปสนับสนุน กันว่านะเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบประโยชน์นะบำรุงเสร็จแล้วก็เข้าไประลึกถึง น, นะระลึกถึงสมณนะหรือพาณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติปฏิบัติผิดนรับไว้อย่างเดียวกัน เราได้เห็นถึงสิ่งที่ถูกต้องก็คือตถาคตหรื อ, อสาวกของตถาคตนะจะเป็นทัศนานุตติยะสวนานุตติยะการได้เห็นได้ฟังลาภานุตติยะการได้ลาภหรือได้ศรัทธาที่ถูกต้องการได้ศึกานุตติยะได้ศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องการได้เข้าไปบำรุงในสิ่งที่ถูกต้องและอนุสตินะ ที่ถูกต้องและเลึกที่ถูกต้องนะดูลุกสิทธิผู้เ่้าคนหนึ่งไปเห็นอเจรกะนะนัก บ, บวชเปลือยประพฤติวัดดั่งสุนักคลานสีเท้าแล้วก็กินอาหารนะตามที่เขากองไว้ในพื้นดินนะบวชมานในธรรมวินยัยเป็นปัจชาสมณะเดินตามพระศาสดาไป เห็นอจิรกาศก็ไปคิดชื่นชมบอกว่าพระหันคนนี้นี่เป็ น, นประพรุทวัดดีจริงนะครูเจ้ารู้ความคิดอ่านมาตำหนินะสุนัตะซึ่งเป็นโอรสของเจ้าฤชวีมาบุตรก็เลยตำหนิว่าเธอยังพอจะนับเป็นสมณะสักยะปุตติยาได้หรือไม่นะจะไล่ออกจากความเป็นพิสุเลยนะ เป็นหน้าแค่คิดนิดเดียวนะคุณเจ้าตัดหน้าอย่างนี้พระองค์นั่งกับภิกษุชื่อพักควาฟังดูก่อนพักควาสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมแห่งชาวถูลูชื่ออุตระอุตรการในถูลูชนบทครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเรานุ่งแ้งถือบาทและจีวรมีโอรสจ้าฤาจวีชื่อสุนขตะเป็นปัจฉาสมณนะ เข้าไปบินาบาต ท, ที่อุตรกานิคมสมัยนั้นมีอาเจลกาคนหนึ่งชื่อโกรคัติยะประพฤติอย่างสุนักเดินด้วยข้อสอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากดูก่อนภะกวะโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนคขตะได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้นหนึ่งครังนั้นเราได้สร้างความคิด ในใจของโอรสเจ้าลุจวีชื่อสุนัขตาด้วยใจแล้วจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนโมคบุตรเนื้อคนเช่นเธอก็ยังจักปฏิ ญ, ญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรอยู่หรือนะว่าสุนัขตาว่ายังเป็นบุตรเป็นโอรสของสมณะสักยะปุตยะยุลิปานเนี่ยนะ บาลีใช้คำว่าสมณนสักยะปุตติโยนะหรือที่ผู้เจ้าบอกว่าพระทุกลูกเนี่ยเวลาถูกถามและจะตอบเขาว่าเราเป็นใครจะต้องตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะเป็นบุตรนะของสมณะในศักยะตระกูลเป็นอย่างนี้ขณะมาบวชกับผู้เจ้าอยู่กับผู้เจ้าก็ยังไปคิดช่้นชมนะและพอผู้เจ้าเป็นโมขับบุตรกับมาโกรธผู้เจ้าอีก เอาทำไมว่าเขาอย่างนั้นนี่เขาเป็นพระหันที่ดีนันเนี่ยไปยิดความเห็นตัวเองอีกนะผลที่สุดก็เลยต้องตกร่วมไปจากธรรมวินัยนี้ก็มาตำหนิผู้เจ้าว่าหวงความเป็นพระหันบ้างอะไรบ้างนะไปชมคนอื่นไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดนะตัวเองเป็นผู้ใหม่ไม่รู้แต่แทนที่จะฟังคำสอนของพระศาสดากา็กลับมาตำหนิซะแล้ว นะผู้ชาก็บอกพระองค์ไม่ได้หวงความเป็นอารานหรอกแต่เธอได้เกิดทิฏฐิอันลา ม, มกขึ้นนะจงละทิฏฐินั้นเสียเถิด มันไม่เป็นประโยชน์เกือกูลจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานนะอันหนึ่งเธอย่อมเข้าใจโกรั ก, กติยะเจละกะว่าเป็นสำนักนานที่ดีผู้หนึ่งอีกเจ็ดวันเขาจับตายด้วยโอค阿拉สกะครั้งแล้วจะ บ, บังเกิดในเหล่านะอสุระชื่อกาละกัตติชานะกันชิกาซึ่งเร็วกว่าอสุลกายทั้งปวง นะ <c oughs> ในครั้งก่อนเนี่ยก็จะประพฤติปฏิบัติตรงตามคำสอนพระศาสดาแบบตรงตรงมากนะเพราะผู้ชาเป็นสัพัญย์อยู่เดียว ไปดูถึงที่มีภิกษุที่ผู้ว่วิญญาณเวียนไหวตายเกิดแล้วผู้เจ้าก็ตําหนิว่าเธอเป็นโมคาบุรุษนะ เ, เธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถื อ, อ, อเอาผิดย่อมเป็นการขุดตนเองด้วยประสบสิ่งไม่ชื่นบุญเป็นนั้นมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานอย่างนี้นี่คิดจำใจคนอื่นนี่ ผู้ผิดจากพระพุทธเจ้าหรืออีกกรณีนหนึ่งมีภิกษุ <c oughs> ลูกหนึ่งก็ไปเรียนเดลชาวิชาเรียนคำพีโลกายทนะคำพีทั้งโลกรัศดาก็เรียกมาสอบสวนแล้วก็ประชุมสมแล้วก็บัญญัตินะว่าออบอกถ้าเธอเห็นความสำคัญในคำต า, ตากตเธอยังจะไปศึกษาวิชาอื่นอยู่ไหมนะี่ เธอยังพอจะนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ปรับประบาดทุกกฎแก่ภิกษุที่เข้าไปเรียนนะคมภีร์เดลฉานวาิชาต่างๆแล้วเราก็เลยนิพเลยไปถึงนะภิกษุที่กําลังทําเดลฉานวาิชาอยู่ในวันนี้ว่า อ, อย่าว่าแต่เรียนเลยนี่มานั่งทําเลยนะมันนั่งทํมามันนั่งประพฤติเดลฉานวิชานะที่พระเจ้าบอกกันโอ้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ พุะเจ้าก็คงจะตำหนิมากเพราะขนาดแค่คิดแค่ผู้ผิดจากพูะเจ้านะแค่เข้าไปศึกษานะก็ยังถูกพระเจ้าตำหนินะแล้วก็ปราบประบัินะอืมนี่ก็เลมไาไล่เยงให้ดูในพะสูจนเรา่นี้ทตนก็นะได้ไปไปสืบไปค้นไปเจอกันนะ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาทั้งหมดแล้วก็อพระเจ้าก็พูดถึงอืลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาว่าคนที่ศรัทธาจริงเนี่ยจะมีข้อประพฤติอย่างไรนะคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นผู้มีศีลเขาจะสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตถ้ตาคำศรัทธาตถาคตก็จะฟังคําตถาคต เขาจะศึกษาคํา ต, ต, ตาคตว่า ต, ตาคตผู้ใะไนะนี่ยเนองวันนี้เลยเราดูแล้วมันกลับกันว่าคนที่จะศึกษาคำพุทธเจ้ากลับไม่ค่อยมีเนะีนั่นแสดงว่าเราละขาดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตามที่พุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เหมือ น, นยมศรัทธานะีพระกอรยมต้องนั่งอ่านคําสอนของพระกอไม่ใช่ยอมเป็นนั่งอ่านคําสอนพระขอหรือถ้ายมเป็นสาวกของ ต, ตาคต ย่อมต้องนั่งอ่านคําตถาคตไม่ใช่เป็นนั่งอ่านคําของอเจรกะนี่ใช่ไหมเพราะคำวิสาบเปลนว่าผู้ฟังคําสอนหรือผู้ฟังคําบัญญัติส่วนศาสนาเนี่ยจะเป็นผู้บัญยัติเป็นผู้ที่บัญญัติหนังสาวกของศาสนาแต่ละศาสดาแต่ละเจ้าละทีเขาก็ฟัง หัหน้าเจ้าหั้ที่เขานะอ่านั่นนี่ก็ก็เป็นลักษณะของศรัทธานะผมกุ้งเจ้าจะอธิบายลักษณะของศรัทธาเนี่ยว่าเขาจะเป็นผู้มีศีลมีการสั่งสมสุตตะนะอ่าเขาจะเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีเขาจะเป็นผู้ว่าง่ายเขาจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจการเขาจะกล่าวทำอันเป็นที่กักใกล้มีความปราโมทยใจ ก็จะมีความเพียรขั้นละกุศลสร้างกุศลไม่เกิดขึ้นนะเนี่ยเป็นลำดับลำดับลำดับมาจนตั้สามารถเข้าถึงวิชาวิบูติได้แค่สัตยาอย่างเดียวมันจะเป็นไปตามลำดับอย่างเนี้ยนะแต่นั้นถ้าเราปลูกสัทยานลงไปในตาตาคตเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงมรรผลนิพพานได้นะตัวพระก็เหมือนกันตัวพระเนี่ยมีสัตยานในตาตาคตจริงหรือเปล่าเพราะ น, นั้น ภิกษุชื่อสุปูติเนี่ยพาภิกษุชื่อสัต t h มาหาพระเจ้าแล้วบอกว่าภิกษุชื่อสัต tha เนี่ยมีศรัทธาพระเจ้ามากนะออกมาบุญพระเจ้าก็เลยถามมาแล้วก็มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงหรือเปล่าภิกษุสุภูติก็เลยบอกถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะแสดงธรรมเรื่องศรัทธานี้เพราะเขาไม่เคยได้ยินมา ก, ก่อนพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังว่า ท่านพิสุที่มีศรัทธาจริงแล้วเนี่ย<ๆ>เขาต้องมีอันดับแรกก็ต้องมีศีลบริบูรณ์สามกลุ 1, ม่มสัมปนะศีลาหนึ่งสัมปนะปาติโมคาปาติโมคาสังวรันสมุตาสองและสามคืออาจาระโคจารสัมปนาอย่างที่สามาศีลนะ ส, สามกลุ่มนี้สองพัน้อข้อเนี่ยซึ่งมากมากกว่า 2,400 ข้อเนี่ยเขาต้องรักษาให้ดนะ <c oughs> ีจากนั้นพระองค์ก็บอกกับสุภูตีว่า เขาีิสุนั้นต้องเป็นผู้สังสมสุตตะมากทรงสุตะสังสมสุตสสตะเป็นผู้สนับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเนอ่านี้ก็เป็นลักษณะแห่งสตาทา์ของผู้มีสตานะอันดับต่อมาก็เขาจะเป็นผู้มีมิตรดีส่ดีพื้นพ้องดีนะอันดับต่อมาบอกเขาจะเป็นผู้ว่าง่ง่ประกอบด้วยธรรม เป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนหรืออนุสาสนีโดยเคารพหนักแน่นนั่นเอง อ, อย่างที่5้าเขาจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจค้านในกิจสูงและต่ําของเพื่อนสัปป ร, รมจารีทั้งหลายอย่างที่6กภิกษุนั้นจะเป็นผู้ใคร่ทำกล่าวคําเป็นที่รับเป็นผู้มีความปราโมทยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งอย่างที่เจ็เขาจะเป็นผู้ปาราความเพียนเพื่อละอกุศลเพื่อยัง อ, ก, องกุศลให้เกิดขึ้น อันที่แปเขาจะได้โดยไม่ยากไม่ลาบากซึ่งฌานทั้ง4นะอันนี้ของฉบับสยามนัดก็ตกไปเหมือนกันนะบอกว่าฌานสี่แต่จริงๆในบาลีใช้จัตตาโลชานหนังฌานทั้ง4อันนี้นักสึกจะตกกันเกือบทุกฉบับเลยนะอันที่9ก้าเขาจะลึกถึงอดีตชาติก่อนๆ น, นะได้ ได้ปุเพนิวาส า, านุสติญาอันที่สิบเขาจะได้จุตุปปาทยานอันที่สิบเ็ดเขาจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุปปัญญาวิมุตต์ผู้เจ้าก็เลยถามว่ารับเป็นไงล่ะสัตตามีลักษณะแห่งสัตตาบ้างไหมนะสุภูติก็เลยบอกว่ามีครบเลยที่ผู้เจ้าบอกมานะแสะดงว่าพระพระรหัตมากาบผู้เจ้านะอืมเขาก็เลยได้อ่าได้งยมุนของ ความมีศรัทธาว่าวัดกันที่ตรงไหนคำว่าศรัทธาเดี๋ยวฉันเรกว่าวัดกันที่การกราบการไหวยอย่างเดียวนะเซิงฟูจ่าไม่ได้มีบอกไว้นะตัวที่วัดศรัทธาเป็นอย่างไรนี่ก็ตรงนี้หนุนอันหนึ่งนะให้เราได้ทราบ ที่อย่างนี้เราได้ทราบคืออย่างวันมาฆบูชานะวันมาฆบูชานี่เป็นคําที่แต่งใหม่มาวันจริงๆในบาหลีเราไปเช็คดูเนี่ยพระองค์จะใช้คําว่าเป็นวันสาวกานังสันนิปาโตสันนิปาโตสันนิบาตคือการประชุมแปลว่าการประชุมการประชุมกันสาของสาวกานังก็คือสาวกนะ วันประชุมกันของสาวกซึ่งในไม่ใช่มีในายผู้เจ้าเราองค์เดียวผู้เจ้าเราเนี่ยมีการประชุมกัน1ครั้ง1นึ่ันสองรูปนะมีเอโกสาวกานังสันนิปาโตมีการประชุมกัน1ครั้งเอโกกัน1ครั้งนะจำนวน1นึ่ันสองรูปแต่ผู้เจ้าเนี่ยย้อนกลับไปถึงผู้เจ้าองค์ก่อนก่อนเก้กับที่แล้วมีสาวกานังสันนิปาโตใช้คําเดียวกันนะถึง3ครั้งนะ เมื่อก่อนนั้นเนี่ยคนเนีมีอายุ 80,000 ปีนะการประชุมครั้งแรกเนี่ยมีภิกษุถึงหกล้านแะปดแสนลูกนประชุมครั้งที่หนึ่งสาวกานังสันนิปาโตครั้งที่หนึ่งสาวกานังสันนิปาโตครั้งที่สองเนี่ยมีประชุมกัน 10,000 แสลูกสาวกานังสันนิปาโตครั้งที่สมเนี่ยมีการประชุมกัน 80,000 นะืลูกนะหลุดมาก็เป็นพุทธเจ้าองค์ตัดมาคือ31กับที่แล้ว จะมี2องนะองนะองหนึ่งแล้วก็ถัดยาวมาอีกองหนึ่งนะในช่วง31กับนี้ก็มีสาวการนังสันิปาโตนะองนั้นก็3นะอ่าแล้วก็ลดลงลดลงลดลงมาเรื่อยๆจะตั้งถึงพระองค์นี้มีครั้งเดียวนะแล้วก็มีเพีงนะนะนะ่งพันงร้าูปนะอ่าเฉนั้นถ้าเราจะใช้ใชื่อคำของวันมาค่ายถูกต้องก็คือเป็น วันประชุมกันของสาวกนะบาลีจะใช้คำว่าเอโกสาวกานางังสันนิปาโตอะโหสิเนี่ยเราจะเห็นคำว่าอะโหสิมันไม่ได้ใช้ว่า อ, อภัยการเลิกแล้วต่อการอะไรอย่างนี้อะโหสิแปลว่าไม่ไมีได้เป็นดังนั้นวันนี้อะเอโกสาวกานางังสันนิปาโตอะโหสิอะโหสิแปลว่ามีมีการประชุมกันของสาวกเพียงครั้งเดียวในผู้เจ้าของเราอย่างนี้ <c oughs> แล้วกี่โยมคนหนึ่งเข้าไปเจ อ, อชื่อของพระเจ้าที่เราเรียกเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะใช่ไหมปรากฏว่าพอไปสืบคนเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นคำอยู่ในคำแต่งใหม่อีกก็ยาวอยู่ในพระไตรปิฎกพิ้งที่32กับ33มสิบมีหกหน้า นะซึ่งในทั้งบาลีและภาษาไทยมันจะตรงกันหมดยงคีสิทธะในบาลีก็จะเจออยู่ในแค่เล่ม32สบองและาสสแล้วก็ภาษาไทยสิทธะก็จะเจอในสองเล่มนี้ห0สิกว่าหน้าใน60สิกว่าหน้านี้จะมีแต่คำสาวกทั้งสิน้นนะจะไม่อยู่ในวลีคาพูดว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายนะดีโยมเขามาเราก็เลยเข้าไปสืบค้นดูตามที่เขาอบอกนะอาอมาเึ่นลักษณะ ลากณะจะเป็น่างนี้นะ่เถลาประทานชื่อคนนี้นะแล้วก็นงดูธรรมะมีพระนามสิทัตถะมีรรธรรมะสิทธัตนถะแล้วลงดูสุดท้ายนะสุดท้ายของปารากาเมอทราบว่าท่านพระศีสีหาสมัญายกเถระได้กล่าวป่าถเหล่านี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยเอะองไปดูอันที่สอง นะมันไปดูอนอื่นนี่ก็เอกฐันพิกะเทราตระานก็คื อ, อเทระชื่อนี้เป็นคนกล่าวคำว่าสิทธะนี่ก็มีคำวมาสิทัะเราไปดูสุดท้ายนะก่อนพระตันดุตันนี้ทราบว่าท่านพร ะ, อะเอกฐันพิกะเทระได้กล่าวประธานนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งหกสวันหน้า จะไม่มีที่เป็นดูกรพิสุทั้งหลายเลยนะดัง้นพระเจ้าก็กลับถึงพระเจ้าองค์ก่อนว่าพราะองค์ชื่ออะไรอยู่โคตอะไรตระกูลอะไร น, นั่นเองพอไล่เรียงมาถึงพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกชื่อขององแต่บอกว่าอยู่ในโคตรมาโคตรนี่นะแต่จะมีพระเจ้าองค์ก่อนเนี่ยชื่อกัสปะและอยู่ในกัสปะโคตทั้งชื่อกับตระกูลเหมือนกันนะนัะ้ก็เป็นไปได้ว่าอ พรองค์ก็อาจจะชื่อนี้เหมือนกับตระกูลอต่นี้ไปดูเปรตพาโชคเหล่าอื่นเขาเรียกพระเจ้าเราว่าอะไรก็เรียกอาวุโสโคโดมหรืออาวุโสโคตมะโคตโม О, หรือภาษาไทยเราใช้คําว่าโคดมสมณะโคดมนั่นเองนะนี่ก็คือชื่อของพระเจ้าแล้วจะมีชื่อของพระเจ้าอีก <c oughs> อีกหลายชื่อนะเป็นสิบชื่อมีในในจักรอืออ๋อ อันนี้ก็เป็นชื่อของพะสะบสดา น, นันทุโกตมะโคกรณ์น้อในสัพยัตกูลอืมลุณมสัพยโคตมะโค พระเจ้ามีอะไรอีกเช่นมาพุงชื่อตถาคตนะเหตุผลในการได้การขนานนามของพระตถาคตนะมีในพุทธประวัติมีนะตีคำในพุทธประวัติเนี่ยก็พระองค์จะบอกเลยว่าเหตุผลของการได้ชื่อตถาคตมีอะไรบ้างอย่างหนึ่งที่เราดูให้ในแผ่น ภ, พภาพสิบกระสูตดที่เป็นเอเหตุผลของ <c oughs> ทำไมจะต้องใช้คำตถาคตนั้นอย่าใช้คำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่นั่นคือคำพูดนั้นไม่มีการขัดแย้งกันเหตุผลเหตุผลนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถได้คนเดียวในโลกนะแล้วพระองค์เอาเหตุผลเนี่ยที่พระองค์ทําคําพูดได้ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยว่าชนทั้งหลายจึงกนาหนาำเราว่าตถาคตดังนั้นท่านสาวกทําคําพูดได้ไม่ขัดแย้งกันและต้องชื่อตถาคตด้วยนะ เพราะนั้นไม่เป็นความสามารถของพระองค์นะไม่เหตุผลในการที่นะพระองค์ถูกกาน่ำนานามมาตั้งต่ฐานะือ พิสุทั้งหลายโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนออกจากโลกได้แล้วเหตุได้เกิดโลกนะพระองค์ได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วในะความดับไม่เหลือของโลกนะท่านดำเนินถึงความดับไม่เหลือของโลกพิกษุทั้งหลายอายตนะอันใดที่พวกมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมที่หมูสัตว์พร้อมทั้งสมณนะ นะปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นนะได้ฟังได้ดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งได้บรรลุได้แสวงหาได้เที่ยวผูกพันติดตามโดยใจเนี่ยอายตนะนั้นเนี่ยตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้นเพราะเหตุ น, นั้นจึงได้นามว่าตถาคตพระพิทธเจ้งรู้อายตนะของพรหมของมารของเทวดาว่าเทวดามีอายตนะอะไรบ้าง ลมจะมีอายยตนะอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นทิพย์นะลมชั้นนี้นะมีแค่อายยตนะส่วนไหนไม่มีส่วนรูปมีส่วนนามนะอ่าเตวดาชั้นนี้เป็นยังไงมารเป็นยังไงมนุษย์เป็นยังไงนะนกรกเดรัชานคือผู้ช่างเข้าใจหมดการเข้าใจในอายัตนะของสัตว์ทั้งหลายในโลกทั่วโลกธาตุเนี่ยนะพระองค์จึงได้านามว่าตาาคดอีกอันหนึ่งคืออะไร ตถาคตนะพิสูจน์ทั้งหลายในราตรีใดตถาคตได้ตรัสรู้และในราตรีใดตถาคตปรินิพานในระหว่างนั้นตถาคตกล่าวสอนเพิ่สอนแสดงออกซึ่งทั้งคำใดคำนั้นทั้งหมดย่อมมีโดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แปลกกันโดยประการอื่นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตคำพระเจ้าจะไม่มีการขัดแย้งกันนะตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพาน เพระเหตุนั้นพระองค์จึงถูกขนานนามว่าตถาคตนี่เป็ น, น, น อ, ย อ, ยอย่างนี้เอ็กซ์ทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดทําอย่างนั้นทาอย่างใดกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นจึงได้นามว่าตถาคตดังนั้คนคาสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระองค์ผูดออกมาตรงตามที่พระพุทธเจ้าปฏิบัตินะและพระองค์พูดอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติตามอย่างนั้น ให้เราทราบโดยนยาย่ายกันว่าพราะองค์เป็นนักปฏิบัติและเป็นนักพูดที่กลันกลองออกจากการประพฤิปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงนะอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนและสามารถนะทำการประพฤติปฏิบัติเนี่ยกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้อย่างถูกต้องและก็ทำตามนั้นโดยไม่มีข้อผิดเพียนนะด้วยเหตุนี้แหละพระองค์จึงถูกขนานนามวัตถาพุ นั้นคนบางคนบอกคําสอนพระเจ้าเป็นทฤษฎีไม่ใชค่คุณเข้าใจผิดแหละพระเจ้าเป็นนักปฏิบัติที่เก่งแล้วก็ถ่ายทอดการประพฤติเป็นๆออกมาเป็นคําสอนได้เลิศที่สุดดีที่สุดและไม่มีใครทําได้ดีกว่าพระเจ้านะดังนั้นสาวกคุณจะปฏิบัติมาอยู่ในป่าในดงในเในขาไปไหนพระเจ้ารู้หมดน ะ, ะไม่ต้องมาบัญญัติคําสอนอะไรบัญญัติไม่ได้น ะ, ะจะต้องใช้บัญญัติของศาสดาเท่านั้นน ะ, ะเพราะฉะนั้นนี่คือ ความสามารถของตถาคตนะพิกษุทธิั้งหลายในโลกพร้มทั้งเทวโลกมารพรหมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะปามณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ตถาคตเป็นผู้ยิ่งไม่มีใครครอบนำไม่มีพรหมเทวดาใครครอบนำตถาคตได้นั่นดังนั้นเทพเจ้าของอินดงอินเดียอะไรต่ออะไรเนี่ยจะใหญ่กว่าผู้เจ้าไม่มีในพระเจ้าจึงยันว่าพระองค์ครอบนำสูงสุด ใหญ่สุดไม่มีเทพองค์ใดใหญ่กว่าผู้เจ้าแล้วนะเป็นผู้เห็นสิ่งสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตาตาขดความสามารถตรงนี้เราศรัทธาในผู้เจ้าจริงหรือเปล่าหรือผู้เจ้าอ๋ย่างหลอกมีเทพนี้เก่งกว่าผู้เจ้าหน่อยหนึ่งหรือว่าอ๋อผู้เจ้ายังไม่รู้จริงตรงนี้นะสาวกของผู้เจ้าเก่งกว่าผู้เจ้าตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่เพราะนั้น นี้น่ต้องไม่มีความคลื่แคลนในพระองค์นะเมื่อความศรัทธาอย่างลงน้นล้นขนาดนี้เขาจะชื่อว่าคําสอนที่ออกจากปากผู้จ้านั้นถูกต้องทั้งหมดนะเขาจะไม่ลำเลงสงสัยในตถาคตและคําสอนของตถาคตนะทั้งสองกร น, นีนะไม่ลังเลในตัวตถาคตและคําสอนของตถาคตชื่อว่าตถาคตเนี่ยตัดสนุจริงและคําสอนออกมานี้ถูกต้องจริงนะนะีนะ่ ก็ให้เราเราทราบ สุดธรรมด า, าสัตว์สองตาต้งไม้นะและไม่สอง เ, อเป็นวาาผู้ใดผู้จ้าไม่ไว่ยใครในโลกกัท่านนีนะไม่ไม่ไมีใครที่ที่ยิ่งไปกว่าพราะองค์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็น ผู้ช่วยก็จะมีอุปมาว่าเปรียบเหมือนเมื้อไก่นะออกไข่มา8ฟองสิบฟองสิบสองฟองก็ดีลูกไก่ตัวใดจเจาะกระป๋อฟองไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกนะตัวนั้นควรถูกนับว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพรามก็บอกว่าใช่นะตถาถ่ายคตรเนี่ยจเจาะกระป๋ะฟองเอาวิชาได้เป็นคนแรกนะทําไมตถาถ่ายคตรจะไม่เป็นผู้พี่นะอันะนั้นพรามทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเคารพนะในตถาถ่ายคต ม, มันก็อยู่ที่ใครเจอคำสอนที่ถูกต้องได้ก่อนกั น, ม, นมีใครสงสัยจะสักถามอะไรไหมเจอมั้ สักกายะเขาบอกว่าถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในธรรมนินัยนี้ท่านผู้เจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเลิกพรนะบุรเจ้าท่านผู้เจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายุบาลสบบาลสกาสมณเทพมารพรมใดแดนโลกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังจะเลิกพรนะบุตเจ้าเขาบอกผู้เจ้าว่าโปรดทรงจําหล่ำฉันว่า เป็นผู้มีความเล่มใสอย่างนี้นะความเลื่อมใสอย่างนี้นะอนนี้พเจ้าจะจัดลำดับของความเลื่มใสอเอาไว้ในบาลีก็จะใช้คำว่าอเวทจับปัสสาเทนะก็คือเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวเลยหรือว่าจะใช้คำว่าตถาคาเตะเอกันตคโตอภพิปสันโนตาตาคาเตะนะเอกันตคโตนะก็คือไปส่วนเดียวนะอภพิปสัโนคือเลื่อมใสอย่างยิ่ง ลุ่มใสอย่างยิ่งไปส่วนเดียวในตถาคตไม่มีคนอื่นเนี่ยไม่มีสมณะเทพมารพรมใดๆในโลกหนึ่งศรัทธาออกจากคนแบบนี้นะไปสู่คนอื่นได้เขาจะมั่นคงกับพูะเจ้า 100% เรนี่ยอันนี้เราต้องหันกลับมาดูชาวพุทธเราเนี่ยชาวพุทธเราร้อกับพูะเจ้าหรือเปล่ปา ชาวพุทเรามีตถาคตเอกันตคตโอภิปสัสสนูไหมเนะีมีหลายเนี่ยคนคนนี้จะเริ่มปราลบความเปลี่ยนนะเมื่อปาราลบความเพียนะเพ่ยนแล้วจะขยับขึ้นไปอีกผู้เจ้าเรียกว่าใช้คําว่าเริ่มใช้คําว่าศรัทธาแล้วนะีจะใช้คําว่าสัทธสหิตนะก็คือมีคำมีความศรัทธาเมื่อปาราลบความเพียนจน ถ, ถึงปั้นานแล้วเนี่ยจะใช้คําคว่าอภิสัทธหติคือเลือกศรัทธาอย่างยิ่ง ดันั้ในระดับสาระดับนี่ผู้ชาก็จะมีเริ่มใสยอย่างยิ่งศรัทธาศรัทธาอย่างยิ่งนี่ดันงนั้นถ้าเราจะใช้คําในลักษณะชี้ชัดลงไปว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะระดับแกถือประพุทธประธรรมพระสงฆ์ไหมแต่ยังวั่นวายเล็กน้อยหรือว่าไม่วั่นวายแล้วหรืออยู่ในระดับที่เริ่มใสยอย่างยิ่งเลยหรือว่าอยู่ในระดับศรัทธานะ ใสศรัทธาอย่างยิ่งน ะ, ะก็สามารถใช้คำที่ แ, กแ่กยะชี้ชัดอย่างนี้ได้น ะ, ะนี่อันนี้ประสุท์นี่จะเป็นระดับของการแบง่งศรัทธาที่ผู้ชาตัดไว้นะ คำไทยมันไม่ค่อยชี้ชัดกันเลยให้ขั้นไปเช็ค ด, ดูในบาลีอ๋อปรากฏว่าบาหลีมีชี้ชัดแล้วก็พระเจ้าจะใช้คําซ้ําอย่างเนี้ยเหมือนกันในพระสูตรอื่นๆนะก็เลยทําให้เราได้ทราบว่าในความเป็นโสดาบันนั้นนะควรจะพระองค์จะใช้คําไหนนะสัตตาแค่ไหนโนะสดาบันพระอรหันต์สัตตาขนาดไหนใช้คําอะไรอย่างนี้คําระองค์จชัดเจนนะนี่เราจะเห็นถึง ความที่พระเจ้ามีความละเอียดในการใช้คำมากและในพระสูตรนี้ก็จะเป็นพระสูตรที่ไล่เลีอยงจากศรัทธาไปจนถึงพระอรหันต์ว่าแค่มีศรัทธาเนี่ยทำนำไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรนะอ่า5ันองสี่า 4, เนี่ยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามีความสำคัญมากนะมีความสาคัญ ซื้อพบปุ่มาแจกให้พวกเรานะซึ่งในเนื้อหานี้มีประโยชน์มากพอสมควรนะอ่านะในเนื้อหาในพบปุ่มจะทําให้เราทราบถึงว่าเปลือกพิสัยเป็นยังไงนะอ่านะผู้เจ้างตัดยังไงเป็นชิ้นแน่ที่ลอยไปในอากาศโถงกระดูกที่ลอยไปในอากาศหน้าตาเปลืเป็นยังไงนะสัตว์นรกเป็นยังไง มันมีกี่ชั้นกี่ระดับกันแน่เนี่ยลองดูในผังบังพบปูนล่าสุดซิซึ่งก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะจะมีบางพบที่ยังต้องสืบค้นอยู่เช่นพวกอสุรกายยังตรวจไม่เสร็จแต่ตอนนี้น ะ, นะมันก็มีประมาณนี้น ะ, น ะ, นะพบเทวดาจะมีสิบแป อ่าอี้ไม่ใช่ธรรมดานะนสลบนะจะมีสิบแปดมีกี่กลุ่มกี่กลุ่มเนี่ยรจ้าจะบอกเลยนะอ่าแล้วใ น, ในต่อมาในพวกเวลชานนะอ่าจะมีห้ากลุ่มนะอ่าว่าเกิดขึ้นมาเป็นเ ป, นเ ป, นปลวพิษัยเปลวไม่ดีกว่าเวลชานนะ กามัตเปติวิเศษโยนะมีกามนัตเปติเป็นกาตนตตมีไม้ส่วนใหญ่จะใช้กามัตเปติวิสศโยเนะปติวิสัยนะเป็นโปลกระดูกเราอายู่ในเวหาดชิ้นนี้เราอายู่ในเวหาดนะเป็นอ่านะออีกพวกหนึ่งก็เป็น ข, ขึ้นมาเป็นมนุษย์มีสิบเอ็ดกลุ่พระเจ้าจัปรพัรนะิพวกตระกูลสูง สามปา น, าส า, นาสารที่มีมหาสารนะได้เลื่อนไปอื่างนี้นะอีกกลุ่มหนึ่งพุทโธดาวจะมียี่สิบหกนะไม่ผังสามสิบเอ็ดพระภูมิเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พุทธมัจฉะก็เลยแจกแจงออกมาไม่ได้อย่างนี้ดังนั้นใะนนี้ทั้งหมดจะมีพระสูตร ท, ทั้งหมดที่เป็นพุทธมัจฉณะมีก่อนพระสูตรหลายทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ลอยๆมานะซึ่งเดิมทั้งหมดตอนนี้คือแปดสิบเอ็ดนะ เส็จแล้วนะนะ <c oughs> อันนี้ยังยังต้องมีการเสียค้นอีกประมาณสองสมกลุ่มนะอย่าพูดอสุรกายนะอนสุรกายจะมีลักษณะว่าอืมมันเป็นเทวมดาลกลุ่มหนึ่งนะอันนี้ก็เนีของพระอินเนี่ยเป็นอสุรกายด้วย สวยแบบไม่รู้พระอินทร์วจะมีพวกเทวดาที่เวลานั้นเนี่ยอสุรกายหายไปสุรกายปรากฏขึ้นนะอ่ะาเพแสดงว่ามั น, มนก็เลยยังไม่เกิดความชัดเจนวนะ่าความเป็นอสุรกายเนะี่ยมันเป็นเป็นพบหรือว่าเป็นแค่แค่ความเป็นร่างกายที่ไม่งามแล้วมันมีการเสื่อมแล้วมีการพัฒนาได้ในตัวของของเทวดาเองนะอันนี้ก็ต้องเช็คขั้สูตรอีก มากพอสมควรนะถึงจะได้คำตอบที่ชัดก็เลยล่างสุดเนี่ยก็คือประมาณ8ปบก่อนนะในแต่ละพบก็มีจำนวนเท่านี้เท่านี้นะอ่า <c oughs> ในนี้เรื่องที่สำคัญเป็นประเด็นที่มิ่งทราบก็คือการวางจิตในการให้ทานอย่างไรจรึงจะได้ความเป็นอริยะนะอ่า นันเวลาให้ทานเนี่ยเราก็ให้ทานกันไปให้ทานกันไปแต่การวางจิตเนี่ยวางยังไงเพราะให้ทานเนี่ยแงยมุมก็มีหนึ่งผู้ให้โดยสุดฝ่ายผู้ให้ถายกโดยสุดฝ่ายปฏิกาหกผู้รับแล้วเขทานที่ให้บริสุทธิ์ไหมน ะ, ะในฝ่ายผู้รับนั้นเป็นทักนคือเนื้นนอผู้คนไหมเราให้กับเบลาชาญหรือให้กับคนที่ทัวสินหรือให้กับคนมีศิน หรือให้กับคนผู้ปราศจากการมหรือให้กับคนผู้เป็นอริยมีผลหมดเห็นไหมแง่มุมมันเยอะนะแบ่งเป็นสาในแต่ละอันแต่ละส่วนก็มีแง่มุมของนั่นอีกนะตั้งผู้ให้มีสินไม่ผู้รับเป็นทัศนียบุคคลไหมจากการที่ผู้รับเป็นทัศนียบุคคลผู้ให้มีศินนะแล้วผู้ให้วางจิตอย่างไรอีกโอ้โหเนี่ยนะละเอียดยิบเลยกลารวางจิตแบบไหนนะภาษารีบุตรถามทูตเจ้าว่า วางจิตยังไงถึงจะได้ผลใหญ่และอ น, นิสงส์ใหญ่วางจิตยังไงได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอ น, นิสงส์ใหญ่คุณนะเจ้าก็ไล่เลี่ยงไปอันดับแรกนะต่ําที่สุดก็คือพวกหวังผลในทานมีจิตผูดพันในผลนึกการสังสมคิดว่าเราตายไปจับได้สวยผลของทานนี้นะพวกนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอ น, นิสงส์ใหญ่นะ ตายไปเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจ่าตุมหาราชิกะสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยบหมดความเป็นใหญ่แล้วต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาสู่สังสารวัตนะก็ไม่พนม้นนรกัในเดชานเปลวิสัยต่อไปอีกพวกหนึน่งนะไม่หวังผลในทานไม่มีจิตปลุกปัน่์ในผลไม่มุ่งการสังสนไม่คิดว่าเราตายไปจับได้เสบดเสวยผลของทานนี้แต่เขาคิดแค่ว่าให้ทานเป็นการดีนะ ผู้นี้ขยบมานะชั้นดาวดึงนะการได้แค่ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอนิสงส์ใหญ่กราัมาสู่สังสารเหมือนเดิมอีกพวกหนึ่งก็คิดว่ารักษาประเพณีที่ปู่ย่าตายายเคยทำมาไม่เสียประเพณีนะก็เลยให้ทานพวกนี้ก็ขยบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอีกพวกก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้นะไม่แหน่ไม่ควรให้ดีกว่า นี่ก็ขยบขึ้นมาอีกอีกพวกก็คิดเหมือนกันแต่คิดว่าเราทำอย่างนี้เพื่อทำเหมือนกับมูสีในครั้งก่อนๆที่ข้าวให้ทานกันพวกนี้ก็ขยบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งก็คิดว่า <c oughs> เรานําให้ทานนะเพื่อความมีจิตนะความปลุมใจสมณัตใจได้ความปลุมใสปิธีใจสุขใจพวกนี้นี่ก็ดีขึ้นหน่นิดหนึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ยังเป็นแค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ท่านอย่างไรถึงจะมีอนิสงส์ใหญ่ด้วยนะผู้เจ้าบอกต้องให้ทานเป็นลักษณะเครื่องปรุงแต่งจิตนะโยมก็อาจจะงงนิดละปรุงแต่งอย่างไรนะจึงจะได้ผมใหญ่และอนิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คืออะไรเขาจะไปเกิดเป็นพรห ม, มกายิการังเทวานังนะสิ้นกรรมสิ้นฤิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ความเป็นอริยบุคคลนะอนาคามีจะมีคำว่าอาคามีก็คือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กับอนาคามีไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะควรจะใช้คานี้ทีนี้เราก็ไปหาการขยายความโดยคำพูะเจ้านี่คือลักษณะของการหาคำตอบอย่าไปเนื่องปรุมแต่งเองอย่าไปคิดเองอย่าไปบรรยายเอง ไปหามาซิว่ า, าทานที่ให้ในลักษณะของอริบุคุณเป็นยังไงเราก็าไปเจอที่พระ อ, องค์ตัดไว้กับช่านไม้นะว่าบอกช่างไม้เนี่ยถ้าคนมีทำสี่ประการเนี่ยนะจะได้เป็นโสดาบันเล่นใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีทานการให้มีจาระกดิลักษณะทานที่เป็นอริบุคคลที่ประกันความเป็นโสดาบันคือยังไง มีใจปราศจากความตระณีอันเป็นมนถินมีใจค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสีดสละจำแนกฐานอยู่ครางเลียมนะนั่นคือเขาต้องวางจิตและความตระณีนั่นเองนะตัวนี้นจึงเป็นตัวอธิบายตัวทําเครื่องปรุงแต่งจิตว่าปรุงแต่งอย่างไรและจะมีที่บุญเจ้าบอกว่าจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะข้ามมรรคผลนะ ในเรื่องของความกรณีนี้เป็นเรื่องสําคัญนะดังนั้นการให้ทานวางจิตอย่างไรยมต้องวางจิตและความกรณีถึงจะได้ความเป็นอริยบุคคลขึ้นมาน ะ, ะก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่ให้ทานก็เป็นอริยบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องนะมันจะเป็นการขัดเกลาเราแต่ไม่ใช่ให้ทานแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะ ซึ่งการไม่ทานแล้วทำให้เกิดมานะเพิ่มขึ้นคืออะไรคิดว่าฉันให้เธอรับนี่จะเกิดมานะขึ้นมาเนแนะม้แต่การทำดีก็ยังไม่สามารถละสังโยชน์ได้นะแต่ได้ผลอยู่ได้ผลใหญ่แต่จะไม่มีอนิสงส์ใหญ่น ะ, ะนี่พระองค์แยกแยะอย่างนี้นี่อยู่ในพบะปู่ทั้งหมดนะอันนั้นก็จะมีบอกและการที่สมณนะข้างบ้านเนี่ยโยง เราก็จะเห็นนะการที่สมณะเข้าบ้านปุ๊บพวกเทวดาทั้งหลายนี่ยพามาเล่เาให้พระเจ้าฟังหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งเข้ามาก็าบอกว่าเมื่อข้าพกลุมยังเป็นมนุษย์อยู่มีสมณะเข้ามาที่บ้านเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยนะลุกหลับแต่ไม่กราบไหว้ไม่ให้อาสนะนะอ่าไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลังก็เลยขึ้งถึงหมู่เทวดาชั้นเลวนะอ่า อีกพวกหนึ่งเขาก็มาบอกใหม่อของเ้าเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนะสมณะเข้าบ้านเข้าลุกลับเข้ากราบไหว้แต่เขาก็ไม่ให้อาสนานะไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลังก็ข้นถึงมือเทวดาชั้นเลวอภที่สาม้ามาบอกว่าพระองค์เกิดเป็นมนุษย์สมัยนั้นสมณะเข้าบ้านลุกลับกราบไหวให้อาสนะแต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลังอีกพวกหนึ่งเข้ามา รู้ลับลาบหว้แห่งสนะแบ่งปันของให้ตามมสามารถตามกำลังแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้อีกพวกหนึ่งเข้ามาเข้าไปนั่งใกล้อยู่แต่ไม่ฟังธรรมแห อ, อีกพวกนี้ข้างนั่งใกล้แล้วฟังธรรมแต่ไม่จำธรร ม, มนั้นไหมแหโอ้โหที่ยึดอยู่ในรายละเอียดนะแหกเข้าใกล้นั่งฟังธรรมนะอ่าทรงจํา แต่ไม่เอาไปไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้นี่นไนะโอ้ที่จะขยักขยักขยั ก, ย ก, ยกแล้วคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะอ่านะเป็นพวกสุดท้ายเนี่ยเอาไปฟังไปไข้ควรพิจารณาแล้วก็ประพฤติตทำสมควรแก่ทำพวกนี้จึิงขึ้นถึงมือเทวดาชั้นปราณีตนะอ่าได้ความเป็นอ น, นิจุคุณนะนี่คือความต่างอืมนิยมจะเห็น การใช้คําพูดของพระุทธเจ้ามันเป็นแบบฟอร์มเลยปับป๊บปั๊บคือโยมต้องอ่านเป็นร้อยเที่ยวนะแล้วโยมจะจําคําพูดของพระุทธเจ้าได้แบบฟอร์มคาําพูดแล้วพระุทธเจ้าเห็นว่าพระุทธเจ้าเป็นตรงนี้นิดใส่ตรงนี้หน่อยแค่แบบฟอร์มคําพูดว่าเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ่านละยวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปความไฟจําแบบฟอร์มนี้ดีๆนะแล้วพระุทธเจ้าจะใส่คําว่าสมณะหรือปราม์ บางพระสูตรไม่มีคําว่าสมณะหรือพราหม์พวกนี้ไปเกิดเป็นพวกมากพวกครุปพวกอะไรตอะไรพวกนี้เขาให้ทัางเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้กับสมณะหรือพรานะนะแต่แค่มีคําว่าให้เหมือนกันหมดทั้งหมดเลยแล้วก็แก่สมณะหรือพราหม์ไปกันอีกเล่มหนึ่งเลยอ่าอย่างนี้นะนั่นอันนี้เราเรียกเนื้อหาบุญให้ดีนะแง่บุญ ม, มีเยอะมาก นนนี้เป็นคำที่ออกจากพระโอษฐ์ทั้งสิ้นเป็นข้อมูล 2,900 กว่าปีข้อมูลจากพระธรรมดกฉบับสยามรัฐในส่วนพุทธวจนะทั้งนั้นนะก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราแล้วก็ที่น่าสนใจกันหนึ่งก็คือเหตุในการสมความปรารถนาว่าเธอปรารถนาแล้วจะสมปรารถนานี่ต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรคูณชาบอกสร้างเหตุปัจจัย5้าประการ หนะึ่งต้องมีศรัทธาในตถาคตนะหรือต้องเชื่อมั่นว่าผู้ชามนี่รู้จริงบอกเหตุที่ถูกต้องจริงนะอย่างที่2เนี่ยต้องเป็นผู้มีศีล น, นะศรัทธาแล้วมีศีลอย่างที่สมมีการสั่งสมสุตตะ <c oughs> น ะ, ะก็คือฟังคำตถาคตมาศรัทธาแล้วต้องรักษาศีลต้องฟังคำพระองค์มาอย่างที่สี่มีจาคะอย่างที่ห้ามีปัญญา คูเจบอกถ้าเธอสร้างเหตุปัจจัยให้ยอย่างเนี้ปรารถนาอะไรสำเร็จหมดนะอลองไปทำดูนะ <c oughs> นี่เป็นเคล็ดลับที่ครูเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เ <c oughs> หตุการสมความปรารถนาไม่งั้นแหนชีวิตเรานะแย่เหลือเกินนะผิดหวังตลาดนะกลับไปสร้างเหตุเลยตามนี้นะแล้วอีกอันหนึ่งที่ ที่พระองค์ตัดไว้คือกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมขึนในปัจจุบันนะพระองค์บอกสร้างทำอะไรก็คือทําสมาธิแปดระดับแปลระดับใดก็ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุฌานอาการสารานจารณาปัญญานานจารณาอังกิจัญญาจตนะนยยยตนะแล้วก็มีว่ัฏฏายานัญ ญ, ญาจนะ8ระดับนี้ กูเจ้าบอกจะเป็นกรรมที่ส่งผลให้เราในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเราที่หลังน ะ, ะนั้นถ้าต้องการความสำเร็จก็ทำตามตนี้น ะ, ม, ะมีกรรมามอะไรไหมเห็นได้นะเจนิหี่ยมข้าง เอาหนี้ก่อนกันนะตลอบข่ากันครับก็จะนี่เป็นัเด็กศึกษาที้นิยมเอาความแน่ใจนะครับยกไปเจอข้ะสูตรหนึ่งเขาเขียนว่าดิม อ, อาวิชาต้องสัดใจใช่ไหมครับเื่อวิชาเนี่ยอาหารไม่เป็นนิวรณ์น่นะะ้ทนี้นี่นย การเข้าผสมานิทาการที่นิวรณ์ห้าจะต้องดับเะในระหว่างที่ระหว่างที่อยู่ในช า, นาเนี่ยนิวรณ์ห้าับไปทัวข้าเนี่ยอวิชาอาาไปอวิชาไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงนะมันไม่ใช่ดับมันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงของอวิชาอาวิชาถูกอาหารหล่อเลี้ยงถูกตัดน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะ ดังนั้นคนที่เข้าสมาธิได้พระเจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้ที่กำลังลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานไงเพราะว่าวันเรื่อมันจะถูกละงับไปทีละนิดทีละนิดทีนิดไปเรื่อยๆนะอืมอ่พูดเรื่องชื่อพระพุทธเจา้าใช่ครับอ่าอนนี้ผมข้อเก ข, ของโยมนะก็เป็นเป็ง่ที่สุดนะครับก็คือ่ออผสังเกตว่าพระพุทธเจ้า ให้เรียกนามของเขาบอกว่าโคตาม า, าครับโคตโค ต, โคตามาเนี่ยคือโคตฝั่งมันดาครับพรานางมายาโคตมีหรือว่าพระนาง ป, ประชาตดีโคตมีเนี่ยก็คือโคตฝั่งมนดาแล้วผมสังเกตว่าแม้แต่สารสาวคกคนไหนก็ใช้ชื่อโคตของมันดาด้วยอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยเติมชื่อจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าบุตรของนางต่แม่บันดาของพระสารีบุตรชื่อตาลีก็เลยชื่อ บุตรของนางสาลีครับส่วนพระมกขลานะก็คือนางมัณดาท่านก็ชื่อมงคลีตามีว่าเดินท่านคือโกลิตาครับก็อันี้คือเป็นแง่ที่สุดๆครับอาจจะมายจะตรงมีก็ได้อ่าไม่ใช่อย่างที่ยมบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าให้เรียกพระองค์ว่าโคตมะนะเวลาเรียกโคตมะนี่ถือว่าเสมอการนะนั้นสมณพราหมณ์เราอื่นที่ก็เป็นเจ้าลัทธิเนี่ยก็จะเรียกแบบเสมอกัน อาวุโสนะท่านผู้มีอายุการเรียกอย่างนี้นี่เรียกแบบเสมอๆกันนั้นขนาดอย่างพระที่เขาศรัทธาพูเจ้าแนละากำลังเดินตามหาพูเจ้ า, าก็มันจะไปพบ ที่เรียกกันอุโสสมันเป็นการเรียกแบบเสมอกัรนะอันนี้ถ้าจะเรียกยกย่องก็คือเรียกว่าพันเตท่านผู้เจริญนะอาวุโสแปลว่าท่านผู้มีอายุนะอันนี้เวลาสมณพราพมเราอื่นเขาเรียกผู้เจ้าเราก็เรียกอุโสโคดมอาวุโสโคตะนะอืมแบบนี้แต่ถ้าเราจะเรียกผู้เจ้าก็เรียกตถาตาโด้เรียกอรันตสัมมาสัมพุทธะนะหรือเรียก แต่มีชื่อเต็มๆในการตถาคตอลาลังตะสัมมาสัมพุทธะนะอย่างนี้ก็คือเต็มๆนะ่ตะตถาคตอลาลังตะสัมมาสัมพุทธะจะตกันในบาลีก็ใช่อย่างนี้น่ะก็มีหลายชื่อพระุทธเจ้าจะบอกชื่อของรผมว่ามีชื่ออะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้น่ะเป็นอย่างอื่นอัญโยงกลางๆเช่น ไม่มันไม่ค่ดังนะอือไม่เป็นไรเอาตัวนี้มเอาตัวมาตัวนี้กันะดังรยังคะอ๋อดัง้ค่ะการรำสการพระจารย์ก็ขออนุญาตขอโอกาสพระอาจารย์พิสูจน์นะคะเออยังขอกราบเรียนถามสองข้อข้อแรกเนี่ยอยู่เรื่องการทำทานอย่างเราเห็นในในกรุงเทพเนี่ย ถ้ามีพระหรือว่ามีการเรื่ใดที่จะสร้างโบสถ์บูรพศหรือกิจกรรมต่างๆในแบบเนี่ยเราก็เห็นการปฏิบัติเนี่ยของพระเนี่ยก็คือพอปานกลางเพว่ามีเรื่องการสะเดาะเคราะหรือรอะไรต่างๆซึ่งก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ไมีไดสอนให้เราทําแบบนั้นแต่โยมก็คิดว่า ก, การที่เราจะบริจาคทรัพย์เพื่อมีการสร้างวัตถุทางศาสนาเนี่ยเพื่อเป็นที่พึ่งพิงสําหรับ บุคคลอื่นที่อาจจะยังไม่ได้สนใจในทางคําสอนมากนะักแต่พอเข้าวัดเนี่ยเขาก็มีการอาราธนาศีลแล้วมีจิตที่จะน้อมเข้าไปสู่การปฏิบัติในการเบื้องต้นทีนี้การที่โยมสละปัจจัยเพื่อให้กับวัดที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยแต่ว่าก็อาจจะยงไม่ได้เข้มในเรื่องของคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ถือว่ายังต้องปฏิบัติถูกหรือยังคะ วิช้าไม่ได้มองความเป็นวัดวัดมันสอนอะไรเราไม่น่าอยู่พระเจ้ามองความเป็นสมณ ะ, ะแล้วท่านสมณะนั้นยังมีการสะดอกเคาะดูโลกดูยามปลูกเสกเล็กันซึ่งพระเจ้ามองวันนี้เป็นเดราจาัจฉาวิจฉาเป็นอาชีวะของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นะนะเป็นของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเจ้าเขาจะกายโยงไปปาริจริยาไปบำรุง ในสมณะาพาหมผู้ประพฤติผิดผู้เห็นผิดพระองค์ก็บอกเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตับให้เหลือเพรนิพานนะนั้นโยงก็ไม่ได้นุตติยะหกประการนะนั้นพระเจ้าก็จะไม่สันเซอเราไว้ท่านต้องมีด้วย <c oughs> นะมันเป็นเรื่องของตัวของสมณนะไม่ได้เป็นเรื่องตัววัตถุ วัตถุมันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาได้โยมในท่านในป่าอะไรก็ได้มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะในเมื่อท่านสถานที่นั้นมันมีคําสอนผิดมันก็ผิดนะโยมสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่ไม่ดีนะส่วนสถานที่ใดที่มีการสอนที่ถูกต้องมันก็เป็นสถานที่ดีหรือมีการสถานที่นั้นมีการเข้าปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตุรฌานพระอาจาบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ มันอยู่ที่ตัวคนอย่างเดียวเลยนะศา ส, สนาอยู่ในการทรงจำของมนุษย์ของคนและข้อประพฤติปฏิบัติของคนะงะงค น, นะตัวพิสูจน์พระ อ, องค์ก็ชี้ไปที่ขอ้อปฏิบัติกายวาจาจิตศีลสิกขาของเธอเหมือนกับพิสูจน์ทั้งหลายไหมจิตตสิิขาเหมือนไหมนะปัญญาศิขาเหมือนไหมในพระสูตรที่พระ อ, องค์บอเรื่องของกูเป็นโคใช่ไหมอ่า ลมันเดินตามฝูงโคไปกีบทั้งมันก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนสีก็ไม่เหมือนแต่มันก็ร้องอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคนะพิสุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเดินตามหมู่พิสุไปข้างหลังข้างหลั ง, ง, ล ง, งก็ร้องอยู่เอาเองว่าข้าก็เป็นพิสุข้าก็เป็นพิสุทั้งที่สีและสีขาก็ไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายจิตตสศิขาก็ไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายปัญญ่าศิขาก็ไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายโยมเจงสิ่งเพีข้อเดียวก็ ก็ปิดเยอะแล้วเพราะสิ่งจะต้องมีสามกลุ่มเลยสัมปนาศีลาซึ่งในสัมปนาศีลานี้จะมีเรื่องของเดรชาวิ ช, ชาตัดไว้เยอะมากนะก็จะมีเดรชาวิ ช, ชาแบบต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งพระเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่ในครั้งก่อนว่าภิกษุในธรรมวินัยเนี้ยต้องเว้นขาดเว้นขาดเลยไม่ทําเพราะตอนบัญญัติสัมปนาศีลานี้ ไม่มีพระที่ต่ำกว่าอริยะนะพระที่ปฏิบัติแย่ที่สุดก็เป็นโสดาบันนะก็เลยไม่มีบัญญัติเรื่องโทษอะไรแต่ว่าพิสูุกลุ่มนี้ในกลุ่มความพิสูจนเนี่ยนะเขาทำกันอย่างนี้นะอ่านะสิงกลุ่มนี้จะเรียกว่าสัมปนธศีลาสาธุคะ่ะ uh huh. แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนแต่ละระดับเนี่ย <Yeah. S 2> เขายังไม่ได้ คือคือการมีวัดก็จะมีที่สําหรับคนที่จะเข้าไปทํากุศลตามธรรมชาติหบบชาวบ้านเนี่น ะ, ะคะคือเราคนึงแต่คํำว่าวัดงววไงเราไม่ได้คำนึงถึงสมณะนะตรงไหนก็ได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องมีวัดถ้ามีวัดแล้วมีสมณะผิดอย่าไปมีมนะโยนนะถูกค่ะมั น, ม, น, ม, นมันสำคัญ ท, ที่ตัวคนอยี่ควจะเจริญความตั้งมั่นของพระสัตธรรมผู้ชาไม่เคยบัญญัติว่าวัดเนี ม่ร well ูเรื่องอะไรลรอไอ้อารามเนี่ยนะมันก็เป็นสถานที่ที่สมณะเข้าไปอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆวัดแต่นี้วัดเป็นแล้วเป็นถาวรตลอดการแต่ไม่มีนะแต่ก่อนนะวัดมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆถ้าไม่มีพระอยู่ก็ไม่ได้เป็นวัดเขตสีมาคือเขตที่พิสูจน์กาหนดเขตที่อยู่ของตนเองถ้าเขตนั้นไม่มีพิสูจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้เป็นเขตสีมาไม่ได้เป็นวัด่าอารามนะอ่าเพรความสําคัญอยู่ที่ตัวพระ ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธาธก็อยู่ที่ตัวภิกษุอยู่ที่บทเป็นชนะคําสอนตัวคําสอนนั้ตัวมนุษย์นี่แหละเป็นตัวความตั้งมั่นพระสัทธารรมนะีมีสี่ข้อคือหนึ่งบทเป็นชนะจะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกนะมีนัยยะถูกต้องข้อที่สองภิกษุต้องเป็นผู้ว่างแงอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความกลบวหนักแน่น ข้อที่สามเนี่ยพิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมัติกาจะต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนอนาจามาขยันถ่ายทอดบอกสอนคาของอเจรกะไหมะคําของปลิพายชกมาสั่งสอนเนหลัานิชาไหมทานิมนต์ทำยังไงปลุกเสดทําำยังไงนี่มันไปนชื่นชมวัตรละของสมณพารามเหล่าอื่นแต่ตมมาต้องมาสอนคําของสมณโคดมนะสมณโคดมพระตถาคตตรัอย่างนี้ พระองค์สอนอย่างนี้ต่างหากใช่ไหมอันที่สีนี่ก็คือพิสูจนที่เป็นเทระบวชนานต้องไม่เป็นผู้นําในทางสารต้องไม่ไมปในปกิจแห่งเวทํามปารุความเพียนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะพระที่บวชนานแล้วเทระคือสิบปีขึ้นไปต้องเป็นผู้นําในทางที่ถูกต้องนะปารุความเพียนอย่างนี้นะนี่คือความตั้งมั่นพระสัตธรรมอยู่ในสี่ข้อ น, นี้ในัยยะอื่นมีไหมมี ร่คมบอกจเจริญสติปัฏฐานสี่อีกนายายมันมีไม้มีบอกให้เป็นผู้ฉลาดในอายัตนะและสองฉลาดในปฏิจจสุบาท <Yeah. S 1> ท่านที่เจอมีสามนายะ <Yeah. S 1> เหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัพธรรมไม่เคยมีบอกว่ามีวัดมากๆเนี่ยมีสารามากๆมีโบทมากๆไม่เคยบัญญัติเลยถูกค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องทานนะคะพระอาจารย์ <c oughs> ถ้าสมมติเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยแต่เราแบ่งส่วนที่จะทำทานเพื่อบำรุงศาสนาเนี่ยสักแค่ 3% ามเปอร์เซห้าปอร์เซนส่วนนอกเหนือจากนั้นเราก็จัดสรรที่จะใช้ใจ่ายในในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นความกะหนีหรือเปล่าคะก็ไปดูสิผู้เจ้าบอกตรงนี้ว่ายังไงพระ อ, องค์บอกไว้แล้วการแบ่งสรรเนี่ยร่วมันให้แบ่งเป็นสี่ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยนะ เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกร น, นะเร่างที่สองเนี่ยทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายนี่ดูแลตัวเองก็สอส่วนด้วยแล้วนะขึ้นหนึ่งแล้วนะเออส่วนที่สามเนี่ยก็ใแบ่งปันให้กับสังคมญาติมิตรน ะ, ะคนนี้รอบนอกออกไปช่วยชาตินะส่วนที่สี่ถึงจะให้แก่สมณพรามณ์ผู้บำเป็นตนเพื่อการ้นตุกอย่างนี้นะสมณพ ร, รยามจะให้สุดท้ายเลยโยม อืมซึ่งสมณพานธ์ที่ให้สุดท้ายเนี่ยถ้าโยมต้องการ อ, อ, อานุสง์ที่มากเนี่ยโยมก็พยายามลวด ก, กับพระอริยเจ้าผู้ประพฤติตรงคนที่ทานที่ให้น้อยกลับมีผลมากทานที่ให้มากจะมีผลมากทวีคุณดังนั้นถึงแม้จะให้น้อยแต่ศรัทธามีมากตัวศรัทธามาก่อนให้น้อยให้มากมาทีหลังอันดับแรกความแรงอยู่ที่ศรัทธา ถ้าสัตยาตรงนี้ได้มากนะถึงทานจะให้น้อยสองในส่วนของผู้รับผู้รับเป็นทักษิณียบุคคลไหมยอมให้มากเลยแจกถาดเงินถาดทองเป็นน้อยเป็นพันอย่างพระเจ้าเกิดเป็นพรามชื่อเวลามาให้เยอะเลยแจกถานเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันแต่พระองค์บอกว่าไม่มีทักษิณียบุคคลมาเป็นผู้รับทานเลยน ะ, อะบอกซื้อให้กับโสตะบันองค์เดียวยังไม่ได้เลยนะนี่พระองค์เปรียบเทียบเอาไว้นะอ ได้รู้เจ้าค่ะคุณยังต้องใช้พุทธวิชชายังถึงจะได้รู้จริงๆว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นยังไงไม่่าพูดกันไปเยอะแยะไปเมยอืมขออภัยเจ้าค่ะ อ, อยากจะให้ว่าอาจารย์อธิบายเรื่องที่การเปรียบตรงยได้ อ, อุปมาเก้าอย่างของภา ษ, ษาลีบุตระเจ้าค่ะ งเข้าใจแค่สญญาม<ข>อย่างที่บอกว่าเปรีเหมือนผ้าคีดิวอัวเขาขาดแล้วก็ลูกจันทานแต่จะมีอีกที่ที่เป็นอุปมาเก้าอย่างคะ<อ>ง่ะยังไม่ได้เข้าใจข้อหลังๆของภาษาลิบุตรเจ้าค่ะของภาษาลิบุตรเราจะใช้เราไม่ได้ใช้เราใช้ของพระพุทธเจ้าพุทเจ้ารับรองหรือเปล่ามิร์รับรองเหรออ๋อเหลอเหรอท่านลองดูพระสูตรกันอืม ดูว่าผู้ชารับรองหรือเปล่ากันนะ กิจจสมุปบาทนะคะที่บอกว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึทงทําให้มีสังขารทั้งหลายคําว่าอาวิชชาเป็นอวิชชาในทางที่ตาข่ายอธิบายไว้ก็หมายความว่าที่โยมเข้าใจก็คือไม่เข้าใจในอริยมรรคในองแปร 8, ก็คือไม่เข้าใจในเหตุแห่งทุกเหตุของการดับทุกข์คือตรงนี้คือเป็นอวิชาชาถูกต้องเลยคะ่ะ อันนสทั้งเลยไม่ใช่แค่รัแปดอย่างใช่คือพระองค์บอกว่าความไม่รู้อันใดในอัสัต์สี่ความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอวิชชาท่านเลควงคะามช่วยอธิบายให้ไปความของเขาว่าสังขารความแตกตักของสังขารนะคะและก็น้ำรูกมาค่ะคือไม่เข้าใจสังขารคือการปุงแต่ง การปรุงแต่งของสังขารประกอบด้วยอะไรบ้างนะะี่ยค่ะอ่าไม่เข้าใจคําว่าสังขารหรือนามรูปเรื่ออะไรสังขารค่ะความแตกต่างของสังขารกับนามรูปคําว่าสังขานีมน่มันมันคําห้าเนี่นะค่ะลูปแตกสลายได้ไหมได้ค่ะก็ถูกเรียกว่าสังขารสังขารคือสิ่งที่แตกสลายได้เวทนาแตกสลายได้ไหมได้ค่ะมีธนาถูกเรียกว่าสังขานี้เหมือนกัน สัญญาสังขารวิญญาล้วนแต่สลายได้หมดทั้งก้อนเนี่ยถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายถูกเรียกสังขารได้หมดในพนักสังขารทั้งหลายเนี่ยการทํางานของมันคือวิญญาณมันวนเข้าไปทํางานอยู่ในสีนน่ธาตุนี้ใช่ไหมอ่าสี่ธาตุนี้จะถูกเรียกว่านามรูปเวลาเรียกนามรูปจะเรียกห้าธาตุก็ได้ใช่ไหมเพราะมันมีรูปหนึ่งนามสี่ถูกต้องไหมค่ะแต่เวลามันทํางานกันเนี่ยวิญญาณมันจะพึ่งไปทํางานในสีน่ธาตุ เนื้อเป็วิญ ญ, ญาณออมาตัวที่เหลือเป็นนามรูปไหมรูปหนึ่งนามสามถูกต้องไหมก็เรียกว่าวนามรูปได้อีกและก็ถูกเรียกว่าสังขารได้อีกเหมือนกันเนี่ยคำมันซ้อมกันอย่างนี้นะอ่าอันะี้เวลาวิญ ญ, ญาณกับ น, นามรูปสายปฏิจจาเนี่ยนะเพราะมีวิ ญ, ญญาณจึงมีนามรูปเพามีนามรูปจึงมีวิญญาณนะแต่ถ้าสายปฏิจจ์จะโดดขึ้นไปถึงอวิชชาพุ๊บผู้เจ้าจะเป็นคำว่นานามรูปตัวนี้เป็นสังขารเพื่อยงไปสู่สังขารทั้งหลายคือทั้งก้อนทั้งระบบเลย คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งได้ทั้งกล้องทั้งระบบเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือความไม่รู้อย่างนี้เข้าใจไหมซึ่งสังขารตรงเนี้ยจะโยงไปสูค่คําว่าสังคตธรรมกับอสังคตะธรรมาชาติที่ถูกปรุงแต่งได้กับธรรมาชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นะระบบก็จะมี2ระบบอย่างนี้ที่ถูกปรุงแต่งได้สังคตธรรมก็จะคือกลุมของขันธ์หา K, า K, ้าทั้งหมดเลยคือประมวลโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกับสังสารทั้งหมดเนี่ยมันคือสังคตะ นะอสังคตะก็คือนิพานนะอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นอย่างนี้อแล้วการดับของขันห้านะคะ uh huh. จะแบ่งจะประกอบไปด้วยนามมารมแล้วก็รูกมาทมส่วน uh huh. ที่เป็นนามธมาทำ uh huh. ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะที่เป็นที่ที่เรามีการเกิดดับตลอดเวลาก็คือเหมือนนามลูปมันจะมีการดับก็คือประมาณร้อยปีดับแบบนี้ใช่ไหมคะ ตามที่นามรูกอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการเกิดดับของเวทนาจิตพวกนี้ก็คือจะมีการเกิดดับตลอดเวลาหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ยงพูดคล่อมกันละลูกเนี่ยร้อยปีต้องพูดลูกอย่างเดียวไม่ใช่น้ํามลูกอ๋อหมายของว่าคือลูกก็คื อ, อน้ํามลูกก็คือลูกน้ําก็คือน้ําน้ําไม่ใช่ลูกพูกไม่ใช่นาํานะีถ้าร้อยปีในลูกนะมหาภูจะท่านสี่ ที่ผูเจ้าบอกว่ายึดกายดีกว่ายึดจิตไงเพราะว่ากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาบูตาทั้ง4นี้นะอยู่ไป4 0 50 6 0ปี1้อปีก็มีความเสื่อมให้เห็นบ้างผู้ดูชมผูม้นั้นไม่ได้สดับเนี่ยก็พอจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้บ้างแต่สิ่งที่เรียกกันว่าจิตไม่บนวิญญาณเนี่ยไม่มีทางเบื่อหน่ายได้เลยมันเกิดดับยางรวดเร็วตลอดเวลาอย่างนี้ต่างหากนะอ่า นังเก็บรายละเอียดให้หมดนะที่ที่แบบว่ามีการเกิดดับตลอดเวลาก็หมายเขาว่าตัวจิตคือจิตนโมวิญญาณ3ตัวนี้อันเดียวกันค่ะพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้บอกพิสุททั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิต บ, บ้างโนโมบ้างวิญญาณบ้างนั้นจิตนโมหรือวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเมื่อมันไปตั้งอาศัยในนามธรรมใดเมื่อมันดับ นั้นมันก็ดับไปด้วยเพราะมันเกิดถ้าทั้งสี่ก็เกิดใหม่เพราะมันอาสายกันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดับขันท 5, ั้งห้าก็หมายเพื่อที่จะไปไปสู่วิมุตตย่างนี้ก็คือหมายความว่าต้องมีการดับทั้งขันท 5, ั้งห้าใช่ไหมคะว่าจะไม่ใช่ดับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าดับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปทานในอีกอย่างหนึ่งมันก็ ยังมีการเกิดการเกิดก็ก็ถือว่ายังมีการเกิดตับตลอดเวลาใช่คือตัวสำคัญคือตัวตัววิ ญ, ญญาณขาันโยนปล่อยสีขันนี้แลยงยังปล่อยวิ ญ, ญญาณไม่ได้เดี๋ยววิ ญ, ญญาณมันไปสร้างการเกิดใหม่อีกก็คือต้องปล่อยให้ครบเนี่ยใช่ไหถ้าปล่อยไม่ครบก็แสดงว่ายังมีความลู่พันในขันได้ขันหนึ่งใช่ไหมก็เหมือนกับว่าสมมติวิ ญ, ญญาณ ไปยึดในเวทนาในความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกดับไปก็ไปยึดในสังขารก็คือจะบนอยู่อย่างนีน้มันบนอยู่อย่างนี้ในสี่กันมันก็มีเปลี่ยนหน้าตาให้ยึดไป็นลิตรเลยนะการพักกุ้งกันเนื้อกระสุนนี้ต้องลองอ่านกนนะ่อืมอา ะ, อะจะมีคอตะหแป๊บๆนีงมัน ใช้เวลาไ ม, ไ, มไม่พอไม่ทันนะนะกรสุนนี้ต้องรออ่านกันนะประเด็นอื่นมีมะ สังคมมนุษย์ก็ดีนะเรื่องนี้ก็สนุกนะคุณช่างจะไล่เลียงเลยตั้งแต่ว่ากําเนิดจักรวาลดวงดาวเกิดมาได้ยังไงสังคมมนุษย์เกิดมาได้ยังไงคําว่าราชาเนี่ยมีได้ยังไงคําว่ากษนะัตริย์คําว่าพราหมณ์มีมาได้ยังไงนะครั้งแรกที่กําเนิดคําว่าพรามเนี่ยเป็นเพราะอะไรน ะ, ะจะมีอธิบายไหม แล้ว อ, อตัวใหม่เป็นตัวใหม่ค่ะพิสูจนการตามรู้ซึ่งความจริงซึ่ง mm hmm. เกี่ยวกับสาัาโดยตรงนะคะพิสูจน mm hmm. ์่าเรามีสัตาแค่ไหนในตถาคตเจ้าค่ะอ่า uh huh. รู้ซึ่งความจริงข้าแต่พระโคดุมผู้เจริญการตามรู้ซึ่งความจริงมีได้ได้วยการกระทําเพียงเท่าไรบุคคลชื่อว่าตามรู้ซึ่งความจริงมีได้ได้วยการกระทําเพียงเท่าไรข้าพระเจ้าขอถามพระโคโดุมผู้เจริญถึงการตามรู้ซึ่งความจริงพระรัตวาชา ไดนว่าพิสูจในธรรมเนียนี้ได้เข้าไปอาศัยในบ้านหรือในนิคมแห่งใดแห่งหนึง่งขาหาบดีหรือขหาบดีบุตรได้เข้าไปใกล้พิสูจนั้นใครควรดูอยู่ในใจเกี่ยวกับทำสามประการคือทำอันเป็นที่ตั้งแห่งลูกพระทำอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเมื่อเขาใกล้ควรดูอยู่ซึ่งพิสูนั้นยิ่งเห็นว่าย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งรูปะต่อแต่นั้นเขาจะพิจารณาใกล้ควรพิสูจนนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ เมื่อเขาใคร่ควรดูอยู่ซึ่งพิสูนนั้นย่อมยิงเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จัรทมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะทมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลหะลำดับนั้นเขาปุูรัทธาลงไปในพิสูจนนั้นรังศรัทธาเกิดแล้วสอง ย่อมเข้าไปหาขั้นเข้าไปหาแล้วสย่อมเข้าไปนั่งใกล้ขั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้วสย่อมนี่โสดลงขั้นนี่โสดลงแล้วห้าย่อมฟังซึ่งธรรมขั้นฟังซึ่งธรรมแล้วหก <6. S 1> สงไว้ซึ่งธรรมเจย่อมพิจารณาใกล้ควรเนื้อความเห็นธรรมทั้งหลายอันสมอันตรงสมไว้แล้ว ทั้งหลายย่อมทนต่อการพิมพิมิทเมื่อการทนต่อการพิมพิมิทธ์มีทอยู่ 9. ฉันทะความพอใจย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะแล้ว10ย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้ว11บเย่อมหาความสมดุลแห่งย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรม ขันความสมางบนแห่งธรรมนีแล้วสิบสองย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นบุคคลเขาที่มีตนส่งไปแล้วอย่างมีอยู่ย่อมพิจเจ้าแทนตลอดอย่างดีย่อมแทนตลอดอย่างดีย่อมแทนตลอดอย่างดี เขาผเขามีตนส่งไปแล้วอย่างนี้อยู่ยย่าสดังไีกกบที่สองแหละย่อมอต่อได้ <laughs> เขาย่อเข า, เขามีตนส่งไปแล้วอย่างนี้อยู่ยังยกระทำให้แจ้งซึ่งปรมาสัจจะ ความจริงโดยจริงความหมายสูงสุดย่อมแทงตลอดซึ่งทมนั้นแล้วเห็นอยู่ด้วยนามกายด้วยขอโทษเจ้าค่ะยัอมข้างไปขั้นตางที่สุวสองยัอมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นเขา่ามูมีตนส่งไปแล้วอย่างนี้อยู่ย่อมพิจรารณาย่อมแทงตลอดย่อมใครควรอไ หากไม่มน้นส่งไปแล้วยังนี้ย่อมกระทั่งไ้แจ้งซึ่งปรมัสสัจจะความจริงโดยจริงความหมายสูงสุดด้วยนาม ก, กายด้วยย่อมแทงตลอดอย่างดีซึ่งทำลเลห็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยภารัติวะชะการตามรู้ซึ่งความจริงมีได้ด้วยการกระทัางเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตาม รู้ซึ่งความจริงมีได้ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราเบญญการตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ข้าแต่พระโคดุลผู้เจริญการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงมีได้ด้วยการกระทําเพียงเท่าไรบุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงมีได้ด้วยการกระทําเพียงเท่าไรข้าพระเจ้าขอถามพระโคดมลผู้เจริญถึงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภารัตนาชะการเสพครบการกระทําให้มากการทํา การทำให้จรนินการกระทาให้มากในทมทั้งหลายที่กล่าวมาใ น, ในทมทั้งหลายเหล่านี้แหละสบสองข้อข้างต้นเป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงบุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงมีได้ด้วยการกระทาเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทาเพียงเท่านี้ เก็บสูตรนี่ยาวเหมือนกันการทรงจำนะแสดงว่าเป็นผู้มีศรัทธาในจักรพรรคตนะและคำพระเจ้าเนี่ยจะจำได้ทุกคำนะปีรายละเอียดและมีความสอนรับกันมากอาจ เอกกรเัญญสกานพัชฌานครับขออนุญาตถามสัส้นๆนิดนึงนะครับมีผมสงสัยเรื่องผลจากการวางจิตในการให้ทานในไอ<ช>้ผล ส, สูงสุดผลสูงสุดนะครับเรื่องการเป็นผู้ไม่กลับมาเนี่ยตรงนั้นเนยหมายความว่าถ้าเราวางจิตให้ถูกต้องให้มีการให้ทานนั้นเนี่ยไปครืนปมแต่งจิตทำลายความตันีตรงนี้เนี่ยอหมายความว่าทําได้มากแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลส่งให้เราบรรลุถึง ความเป็นสุนทรภัณฑ์หรือพระนาคามีใช่ไหมครับใช่นะเป็นอริยะได้เลยคือหลวงปู่หลวงปู่เข้าใจถูกทุกฝานะครับคือหลัจากการที่เราทานแล้วเราตั้งจิตไวอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจาคามัสนิติหรือเปล่าครับต้องเป็นจาคะฉนั้นและวพรญาจะมีพระสูตรที่ตัดเกี่ยวเรื่องจาคะไล่ลําดับไปจนถึงนิพพานเลยว่าจาคะอย่างไรจนถึงนิพพานในนี้เวลาจาคะเนี่ยพลังง ที่ผู้สื่อที่เป็นชั้มเลืกที่ถึงนิพพานโอ้จารค้าผู้ชาเนี่ยมองย้อนกลับมาปุ๊บ ท, ที่เราจาค้าด้านทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมันเป็นด้านแค่รูปหนึ่งในกัรทั้งหายกัน น, นั่นเองแล้วมันจะต้องมีการจารค้าในอารมณ์ด้วยเรียกว่าวุ่นสคาลมการสละอารมณ์ดังนั้นการละนัทนทีมันเป็นจารค้าอันหนึ่งเนี่ยละละนันทีทิ้งไปสลละปล่อยวางปล่อยวางดังนั้นการปล่อยวางก็เป็นจารค้าอันหนึ่งเห็นไหมการสลละการปล่อยนั่นเอง นิทจาค่าในขันนึง้่าก็คือหลุดพ้นเลยในมุมค่าที่แยก า, ายละเอียดขึ้นนะอขอบคุณครับ เพราะว่าใกล้ถึงบวๆกันเลยไม่ได้ตระเตรียงว่าจะต้องเราจะต้องวางตัวยังไงครับครั บ, รบก็เลยมีพระสูตรเน่เกี่ยวกับการเตรียมที่จเป็นข้าวสการนะครับก็ไม่ตระเตียมตัวก็คือผู้ญาจะบอกว่าถ้าทัางได้กลบุตร ท, ที่ที่สมควรฝึกได้มาเนี่ยนะพระองค์ก็จะให้เข า, เารักษาศีล น, นะให้เขาเ เสพเสนาสนะอันสงัดให้เขาประมาณในการบริโภคให้เขามีการสำรวมอินทรีย์ให้เขามีการทำไปตามลาดับอย่างนี้มีผู้เจ้ามีลาดับขั้นอยู่แต่ลาดับขั้นพวกนี้ก็คือก็จะต้องอเข้าไปฝึกนั้นเองทีนี้มันกอ็อยู่ที่ว่าเราเราให้ใครฝึกเราให้บุคคลผู้ผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ฝึกนะเพราะว่า มันมีหลายแบบนะแล้วก็ฝึกแล้วจะใช้เป็นระยะเวลาแค่ไหนมันก็อยู่ที่คนคนนั้นเนี่ยนะว่าฝึกฝนตนเองได้เร็วไวแค่ไหนอยู่ที่อินซีของเขานะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่ยังคือในปัจจุบันมนตาตรฐานมันไม่เท่ากันนะก็นะต้องควรจะมีการเตรียมการก่อนเพราะว่าอยู่ๆจับบวชเลยเนี่ยคือหมผ้ามันก็ยังไม่ได้นะ การคล้องบาทการเดินออกบินน่มันก็ยังไม่ได้มันต้องมีการฝึกพวกนี้ก่อนเพราะเวลาบอผม้านเป็น้าไปแล้วแต่มันก็เป็นภาพเขาไม่รู้ว่าเราบวชใหม่บวชเก่าเนะี่ยก็คือมองภาพคือภาพนั้นทำดีไม่ดีก็คือเป็นภาพของศาสนาไปแล้วนี่นี่หวสัตบรพดีผมยหยักบทที่ เรื่องของใสบาตรุ๊บพระพุทธเจ้าบอกว่าแค่และลึกถึง อ, อ๋ค่<ช>พะ<ช>พอดีท่านกังวลเพราะว่าต้องริ้ชาคนเดียวก็เลยก็เลยกังวลวากลวไม่ได<ๆ>้ใสบาตรนี่ครับก็คือเราก็บวชธรรมดาใช่ไหมครับใช่ก็มีแล้วก็จะเริ่มสินหนักโยม8บวชธรรมดาของโยมคืออะไรก็คือเราก็สาพธรรมของเราไปใช่ไหมครับคือบวชก็ต้องก็ต้องบวชปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ไปปฏิบัติผิดนะ ธรรมดาของเรามันคืออะไรทำไมไม่รู้ต้องไศึกษาไปศึกษาศึกษาถูกศึกษาผิดนะใช่ไหมศึกษาตามที่พระอาจารย์ที่<อ>ทหนังสือพุทธศานาออกมาครับอาา่อาอ่าครัศึกษาพุทธศาสนะก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะบวชกับผู้เจ้าก็ต้องศึกษาคำผู้เจ้าคำว่ามันมีจํานวนมากที่ว่าไม่ได้ศึกษาคำผู้เจ้านะอืมอย่างไงี้ก็ต้องฟีน่าดีๆเนี่ยขอบคุณครับ ความเจริญก้าวหน้าในคำของตาตากดนะคิดสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความปรารถนานะด้วยเหตุหน้าประการที่พระองค์ตรัสไว้คือศรัทธาศีล ส, สุตตะจารค้าปัญญาก็ให้ด้วยดวงตาเห็นธรรมโดยได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนะในานาคตการอัในใกล้โดยทุกกันทุกท่านทุกคนเตือน